วนวลหลานสาวถามว่าไ้หลวงตาคุยกับคนจะมันไม่ฟุ้งซ่านหรอเดี๋ยวคนนั่นมาหาเดี๋ยวคนนี้มาหาถามนะไอ้กูก็ตามเรื่องกูนี่แหละว่ะทำเรื่องยานี่ยเราก็แนะนําตามเรื่องพอเพื่อให้ปรึกษาอะไรได้ก็ปรึกษาะบางคนว่าไอหลวงตาตัด <c oughs> ความคิดหมดแล้วมจะเอาอะไรไปทํางานเฮ้ยกูยิ่งทํางานมากกว่าเองอะ มากกว่าเดิมอีกอะไรประมาณนั้นปรึกษาได้ตั้งแต่ไม่ยิ้มจิ้มฟันยันเรือลบเเขาว่าทั้งหมดนะทำมันทุกเรื่องทุกงานทุกอันคนมาพูดไปๆเขาบ่าเขายิ่งเห็นแต่ทุกข์กับทุกข์วันน้นหนึ่งว่ามีแต่ทุกข์กับทุกข์เนาะทุกโขตินนาทุกขาปริตามาตลอดเวลา รถเ่าพวกหมอนี่ยเขาอยู่กับโรคไปแค่เจ็บมันน่าจะเบื่อหน่ายโลกนะวายมีแต่โรคกับโรคอันนี้ก็โรคนี่ก็โรคโรคโรคโรคโทุกโขโลเกมีแต่โรคทุกโขโลโกมีแต่โรคโรคโรคโรคนะอุโนโลโกโรคนี้โรคพร่องอยู่เป็นน็ดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อตันหาตัวโศเราจงตกตกเป็นธาตุของตันหาเป็นอย่างนั้นนะแต่เราเห็นบ่อยๆมันทุกไปนี้น่าจะปล่อยผ่านปล่อยว่างนะโอ้ยไม่เอาแล้ว ไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วสังขารุเปกขายานเกิดยานหนึ่งขึ้นมากูไม่เอากับมึงอีกแล้วกูไม่เอากูไม่เอามันไม่เอาไม่เอามันจะมีความรู้สึกจิตมันไม่เอามันไม่อยากคิดไม่อยากปรุงไม่อยากแต่งไม่อยากเข้าไปอยู่ในอารมณ์ไม่อยากมีอะไรอ่ะเหมือนจิตมันหดตัวหดตัวนะนะสุขโขขื้น จีหนังจีหนังรู้จักจีหนังไหมหนังเข็มน่ะสุโขคือจีหนังเขาพูดถูกนะลักษณะนิพานนละวเนี่ยสุโขคือจีหนังพอสุกพอจีปุ๊บมันจะโขงงูขึ้นมาในหนังทิ้งเศษไฟมันงอหมดตัวนะลักษณะจิตที่กันจะพ้นทุกข์จะเป็นกันนะสุโคจีหนังสุขขังคือหอยจีหอยเน่ยนะเวลาเราเอาคุณเข็มอักษรทิ้งเข้าไปในไฟเนี่ย เชอรี่เชอรี่หอยเชอรี่นะ <S <S ทิ้งก็เป็นเลยมันจะขังอยู่ขา้านปอกๆ อ, อ, อ, อยู่ข้างในน่ะสุก ข, ขังคือหอยจีสุกเหยียดกีหนึ่งคือปิง่งเกียจจะนะวันนั้นเอาให้กุบานชิมดูเกียด <S <S ดิ่งพระสุดานะ <S 2> <S 2> คือมันแห้งไปก็ไม่ดีทําคือแบบนั้นแหละนิพพานเป็นแบบนั้นน่ะลักษณะความไม่ทุกข์ หรือลักษณะของจิตที่มันหดตัวมันจะเป็นเหมือนเหมือนมันมันถูกวิปัสนาญาเนี่ยมันจะหดตัวคืนไปมันมันงอขึ้นไปแบบนี้จิตที่รับรู้อารมณ์มันที่เป็นแบบนั้นที่มันเหมือนมันถูกไฟตะบ่ายนี่เผามันจะคืนตัวขึ้นไปแต่เราไม่รู้นะกำหนดรูปตั้งไหนมันก็คือเก่าคือเก่าคิดแล้วก็เศร้าคิดตัดความคิดก็ตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วเแตอก็คือเก่าคือเก่ามันก็ยังคิดอยู่คือเก่า เพร า, วาะ Tennessee. ว่าพลังสติหรือพลังไฟเนี่ยมันไม่มีเราเป็นไฟแบบนี้ไงแดงไหมเนี่ยแดงไหมแดงนั่นี่ร้อนไหมไม่ร้อนนะสติเราเป็นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนรู้ตัวแต่ความรู้ตัวเรามันไม่มีพลังไฟเป็นวิปัจนา ญ, ญาณมันก็เลยรู้ตัวอยู่แต่ความคิดก็เหมือนเดิมรู้ตัวอยู่ความห่วงก็เหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรดีขึ้นวะ มันเหมือนเราบอกเอ้ยผมก็มีสตินะสติเราเป็นแบบนี้นะมันแดงเฉยเฉยหรือบางทีมีความสว่างเฉยเฉยแต่มันไม่ร้อนน่ะนั้นพอมันไปรู้อะไรมันจะไม่เกิดการหดตัวให้นั้นเขาฝึกสติอันนี้จุกจัทั้งมันเป็นอันนั้น่ะถ้ามันได้เป็นก็ไม่ได้ลนะ